เดี๋ น, นี้ศึกษาต่อในเรื่องของสัภาสวะสูตรหรือสภาสวะสังวรสูตรเป็นพระ ส, สูตรในลําดับที่สองจากมูลปริยายสูตรเป็นระดับแรกที่ยังไม่ได้ไม่ได้บรรยายในสูตรนั้นว่าด้วยอุบายในการกําจัดอาสวะทั้งปวงก็คืออุบายในการที่จะกําจัดกิเลส ได้พูดถึงในเรื่องของ <c oughs> อาสวะที่พึงลักได้โดยการเห็นไปหลายวันแล้ววันนี้ก็มาต่อในข้อที่สองอาสวะที่พึงลักได้ด้วยการสังวรสังวรในที่นั้นก็คือการปิดกัน้นนเองเหตไม่เหตุในการที่จะรั ก, กิเลสพระรัเจ้ากล่าวไว้หลายวิธีมาก นี่ก็เลยกล่าวในเรื่องของอาสวะที่พึงรัได้ด้วยทัศนะข้อแรกดิทบทวนนะข้อที่2ก็บอกว่าอาสวะที่รัได้ด้วย <c oughs> การสังวรคือใช้สติที่เกิดขึ้นในขณะที่ละลรูล้เท่าทันนี่แหละที่จะปิดกั้นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เข้ามา ท, งทางตาหูจมูกเิ่นกายใจอันนี้เป็นกาลังของสติรือ ข้อที่าก็คืออาสวะที่ละได้โดยการใช้สอยอ น, นีใช้ปัญญาพิจารณาประโยชน์ของการใช้สอยจีวรใช้สอยที่อยู่อาศัยเครื่องโน้โมและยาอันนี้เรื่องของปัญญานะประการที่4ก็คืออาสวะที่พึงละได้โดยการอดกัน้นก็คือโดยการยอมรับได้นี่เป็นตัวอโทสักก็คือความไม่โกรธความไม่งุหงด อโทสะเนี่ยเป็นประธานก็คือความไม่โกรธเนี่ยที่ดําเนินไปด้วยการอดกั้นต่อความหนาวอดกั้นต่อความร้อนอดกั้นต่อความหิวอดกั้นต่อความกระหายอดกั้นต่อเหลือบยุ่งไร ล, ลมแดดและความพอใจและไม่พอใจข้างหลังเนี่ยเราจะศึกษาในเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับกลุ่มที่เข้ามาฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องการที่จะต้องปรับ ทัศนาคติปรับมุมมองปรับความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติและประการต่อไปคืออาสวะที่พึงละได้โดยการหลีกเลี่ยงนี้เจตนานี่เป็นเรื่องของกุศลขันกุศลขันในทะี่นี้คือด้านของกุศลจิตที่ดําเนินไปด้วยการหลีกเลี่ยงชารฉลาดว่าอะไรที่มันจะเป็นอันตรายตัวเอง เช่นสุนัขแมวที่มันดุงูที่มันจะกัดช้างที่มันดุหรือสถานที่ใดๆก็แล้วแต่เมื่อไปแล้วเนี่ยมันจะได้รับอุบัติเหตุเกิดภัยอันตรายทั้งหลายเป็นอยู่อย่างไม่เผลอเลอไม่ขาดสติไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ใช่อย่างนั้นเลยใน บ, บรรดากลุ่มผู้ที่เข้ามาศึกษาฝึกหัดอบรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างที่สูงมากรอบรู้และเข้าใจ ในการเดินชีวิตเนี่ยไม่เดินอยู่ด้วยความหวาดระแวงหรือ ด, ด้วยสัญชาตญาณคนในทั่วไปเนี่ยจะอยู่ด้วยสัญชาตญาณชอบไม่ชอบกลัวไม่กลัวอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่หรอกกลุ่มนักบวชก็ดีกลุ่มที่มาฝึกฝนพัฒนาตนเองก็ดีเนี่ยกําลังของปัญญาเนี่ยในการหลีกเลี่ยงนี่เป็นเจตนาเป็นความจงใจตั้งใจเลยว่าเออเรามาอยู่เนี่ยปลอดภัยไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยจากสัตว์ร้ายไหม ปลอดภัยจากช้างปลอดภัยจากมา้าจากสุนัขทั้งหลายเหล่านี้เออเนี่ ย, นนยก็ไปพิจารณาในกรณีที่จะทําตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆตรงนี้นะพิจารณาเขาเรียกว่ามีเจตนาที่เป็นกุศลไม่ใช่เจตนาชั่วร้ายหลายๆคนนะไปอยู่ในที่ไหนเนี่ยโมหกินที่ไหมอย่างคนบ้าทั้งหลายเหล่านี้ไปอยู่ตามสมบุกสมบูรณ์ไปอยู่ตามสลาทั้งหลายเหล่านี้พวกเนี้ย แปลว่าขาดลอยและสติไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วภัยอันตรายจะเกิดขึ้นตัวเองก็ปล่อยปากแล้วเลยไม่ใช่อย่างนั้นประการที่หก็คือว่าอาสวะที่บรงลัยได้โดยการบรรเทาอันนี้เพียงประกอบกับกุศลและจตในการบรรเทากามวิตุนี่ต้องฉลาดแล้วเวลาความคิดที่เป็นกามเกิดขึ้นความตึกในกามเกิดขึ้นจะบรรเทาจะละยังไงพยาบาทความหงุดหงิดเกิดขึ้นจะบรรเทาจะละยังไง วิหิงษาความคิดประทุสร้ายเบียดเบียนเกิดขึ้นจะบรรเทาจะร้ยยังไงอันนี้วิธีการต้องไปไปศึกษากันประการต่อมาคือว่าอาสวะที่มึงล้ายได้ด้วยภาวนาภาวนาคือทําให้เกิดถ้าไม่มีทําให้เจริญขึ้นที่มันยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดเช่นศีลไม่เกิดทำยังไงให้มันเกิดสมาธิที่ไม่เกิดไม่มีทำยังไงให้มันมีปัญญาที่ไม่เกิดที่ไม่มีทํำยังไงให้มีอย่างนี้เป็นต้นนะยไหมอันนี้เป็นเรื่องของการทําให้มีทําให้เกิดขึ้นเป็นต้นเอาละอันนี้เ็ดอย่าง ทีนข้อที่หนึ่งว่าไปแล้วทัศนาการเห็นขับเน้นโดยตรงคือโสดาบินิมิตข้อที่2องอาสวะที่รัได้โดยการสังวรสังอาสวะที่ต้องรักได้โดยสังวรเป็นอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินยัยนี้พิจารณาโดยแยกไขแล้วคำว่าภิกษุนี้เป็นประธานนะสมเณรด้วยอุบาสกบาสิกาเป็นต้นด้วยสํารวมนะสํารวมด้วยการสังวรในจับคุณซีอยู่ เมื่อเธอไม่สมรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความลําบากจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสมรวมอยู่ย่อมไม่มีแก่เธออย่างนี้พิสูจพิจารณาโดยแยบคายและสมรวมระวังในโสตินทรีก็คือหูที่ปิดบาทาทาั้งตวารหูพิสูจพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็คือสมรวมระวังในคานอินทรีย์ก็คือในจมูกปิดบาาเห็นไหมว่าหู หรือพิสูจพิจารณาโดยแยบคายและสํารวมในชิวหินซีอยู่ทางทางลิ้นเนี่ยพิกสูจพิจารณาโดยแยบคลายแล้วก็สํารวมสังวรในกายยินรีย์อยู่พิจพิสูพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็สำรวมสังวรในมนิทรีย์คือในใจอยู่เมื่อเธอสํารวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความลําบากจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสํารวมอยู่ย่อมไม่เกิดขึ้นแกเธอเป็นต้นเอาเลยเถ่ดนี้ทำความเข้าใจสรุปก็คือว่า พระพุทธเจ้าสอ น, นให้ใช้ตาหูจะบวกเล่นกายเลยจ้นะงั้นสี่อย่างนี่หกอย่างนี่นะมันจะมีการดูเป็นดูได้กับดูเป็นฟังได้กับฟังเป็นดมได้กับดมเป็นกินได้กับกินเป็นสัมผัสได้กับสัมผัสเป็นคิดได้กับคิดเป็นไม่เหมือนกันดูได้ดูหมดดูเหนกัอยากดูอะไรก็ดูได้นี่เป็นอุปกรณ์ไหมอุปกรณ์ในการสื่อสารต่อโลกข้างนอก ตาในก็สื่อสารกระสีหูก็สื่อสารกระเสียเชื่อมกับเสียงจมูกก็เชื่อมกับกลิ่นลิ้นก็สัมผัสกับรสกายก็สัมผัสเย็นแร้อนใจก็โอ้โหรอบทิศเลยเป็นเลดา้ารอบทิศเลยอดีกดตก็ได้อนะเขก็ได้ปัจจุบันก็ได้อะไรสําคัญสุดเนี่ยตามเขาจะบุกลิ้นกายใจเนี่ยความสาคัญไปอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนตันืม อะไรก ว, กว้างกว้างก็างการตา ม, มันจะหูหรืกใจใจเนี่ยใจแล้วใจเนี่ยตามันได้แค่สีอย่างเดียวไป น, นั่นเองเห็นไหมล่ะหูก็ได้แค่เสียงเอาหูเนี่ยไปดูแทนตาได้ไม้มเอาจมูกไปดูแทนตาได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้มันไม่ได้หรอกมันผิดทวารกันมันผิดช่องทางกันงั้นเอาปากไปดมแทนจมูกได้ไหม ก็ไม่ได้อีกเอา ก, กายเนี่ยก็ได้แก่สัมผัสเย็นร้อนเย็นและร้อนต้องมาถูกต้องกายใช่ไหมล่ะต้องให้อารมณ์นั้นมาถึงมากระทบก่อนมันจะเหมือนกับกลิ่นเนี่ยต้องมากระทบเหมือนการร้อเนี่ยต้องมากระทบที่ลิ้นมันถึงจะรู้กายต้องกระทบที่ที่สัมผัสเย็นร้อนต้องมากระทบที่กายแต่ตาเนี่ยไม่ต้องมาเราไม่ใช่เอาอยากจะเห็น ขวดนี่ก็ต้องขวดอีกเพีย้ยนก็ไปที่ตาโตูมก็ไปเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้ก็เห็นได้ใช่ไหมไม่ต้องวิ่งมาถึงบางก็จะมีกระบวนการในการเชื่อมโยงแล้วลงสู่ใจได้เลยเสียงก็เหมือนกันนะอยู่อย่างเงี้ยมีระบบขึ้นในการกระทบกันแล้วก็ลงสู่ใจได้กินเป็นต้นเนี่มเป็นกระบวนการของเหตุผลทั้งนั้นเองเออตรงเนี้ย เ, เป็นเรื่องของการคําว่าจากขุนศีเนี่ยจากสูนยเนี่ย ที่เป็นใหญ่ในการเห็นเนี่ยหมายถึงจกักรคูปศาสตร์ไอตัวจกักรคูปศาสตร์เนี่ยที่มันซึมซาบเยื่อตาเจชั้นเหมือนน้ํามันที่ซึมซาบปุ๋ยนุ่นเจชั้นในฐานะที่เห็นได้ซึ่งเป็นที่เกิดของสรีระสัญฐานของผู้ยืนอยู่ตรงหน้ามีมีขนาดเท่าหัวเลนอยู่กลางแววตาดำน่ะที่มีตาขาวว้เอ่ย ล้อมอยู่มันจะมีลักษณะอย่างนี้ไอ้ตัวจักรุปสัตต์ไอ้ตัวจักครคุปสัตต์เนี่ยมันจะเป็นความใสที่สามารถรับสีได้จากคุปสัสตินี่มันเป็นความใสาว่ามันสัมผัสอะไรนะไอ้ตัวจกักรคุปสัตต์จะเป็นรูปธรรมไอ้สีก็เป็นรูปธรรม ท, ที่มันมาเชื่อมกันสัมผัสกันแสงแสง น, นั่นเองแสงกับตัวจกักรคุปสัตต์เนี่ยกัไอ้ตัวความใสเนี่ยมันมีการกระทบกันสัมผัสกันนี่คือกรูปต่อรูป แต่เวลาสำนวนในการพูดบอกว่าตาเห็นรูปจริงๆตาไม่เห็นไม่ได้หรอกมันยังมีนามธรรมา ท, ที่แฝงสัยตาเกิดขึ้นก็เรียกว่า จ, ากจากักรุปจักรจักคุปษัตร์ใช่ไหมกระทบกระสีก็จะมีตัวจักรุญญาอณจักรุญญาณเนี่ยไปทํากิจทัศนรราในการเห็นบ้างแล้วก็ต่อมาก็มีกระบวนการในการรับอารมณ์การไต่สวนใช่ไหมการตัดสินขึ้นสู่โฉนะลงสู่ใจชอบไม่ชอบว่ากันไป นึ่งที่เป็นต้นงั้นกระบวนการมันเกิดขึ้นในลักษณะงนี้อาดูในคําสอนทีนี้ประการต่อมาก็คือโสตินซีก็คือโสตะที่เป็นใหญ่ในการได้ยินกรหมายถึงโสตประสาทที่ซึมซาบตลอดสถานที่มีขนแดงเล็กงอกขึ้นคล้ายวงแหวนอยู่ภายในช่องหูอันนี้พวกพวกโสตประสาทคาณินรียก็คือคานะ ประสาทประสาทที่จมกูกที่เป็นใหญ่ในการดมกลิ่นก็หมายถึงการหน้าประสาทที่ซึมซาบตลอดทางสารที่มีส้นฐานคล้ายๆกลีบแพะอยู่ในจมกูกตัวนี้เป็นคอยรับกลิ่น <S 2> <S 2> <S 2> ตัวชิวหินซก็คือชิวหาประสาทที่เป็นใหญ่ในการลิ้มรสในลิ้นนะนะชิวหาประสาทนี้ที่ซึมซาบตลอดสถานที่มีสถานคล้ายๆกลีบบัวท่ามกลางลิ้นอยู่ท่ามกลางลิ้นของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายนี่แหละ กายยินซียกายยาที่เป็นใหญ่ในใการรับสัมผัสกระหมายมทั้งกายยาประสาทที่ซึมซาบตลอดทั้งกายทั้งหมดเลยยังไม่มีเหลือเลยในส่วนกายทั้งหมดอย่างคนที่ไม่เป็นเอ า, เอามาพึกงเอามาพาดเนีรับได้หมดไหมรับเย็นร้อนได้หมดไหมส่วนไหนรับได้ดีดที่สุดตั้งแต่ส่วนหัวส่วนไล่มาตามลำดับเป็นส่วนไหนรับความเย็นร้อนได้มากที่สุดนั้นตรงไหนมีกายยาประสาทส่วนนั้นก็รับความเย็นความร้อนได้นะ มีกายยะประารับได้ก็คือแผ่ไปทั่วร่างกายนั่นแหละก็คือที่ตั้งนั้นคําว่ากายเย็นซีเนี่ยเป็นกายยะที่เป็นใหญ่ในการรับสัมผัสกระหมายถึงกายภาปสาทที่ซึมซาบตลอดทั้งร่างกายไม่มีเหลือเลยเหมือนน้ํามันลดลงที่ผ้าผ้านุ่งผืนใหญ่โดยยกไว้เป็นสถานที่สแห่งนี่นะที่ตั้งที่ตั้งของไฟธาตุย่อยของอาหารปลาย ผมเอยปลายขนในปลายเล็บและหนังทั้งหลายเลยนี่ไม่มีเนี่ยพวกพวกเล็บพวกนีม้มันมะีนะอยู่ปลายเล็บทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถรับได้ไอที่หนังหนานๆทั้งหลายก็ยกเว้นไปอย่างนี้เป็นต้นเอาทีนี้ในพระไตรวิฎกในพุทธพจน์ที่บอกว่าดูก่อนมหาบทพิษบอกว่าพิษสูตรชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองตวานในทีทั้งหลาย พิกตุลในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ติดนิมิตไม่ติดนิมิตนะคือภาพรวมนะไม่ถืออนุพยัญชนะคือส่วนย่อยออกรณีการติดนิมิตหรือที่ไม่ติดนิมิตเนี่ยทำยังไงเนี่ยอะไรเรียกว่าเป็นการติดนิมิตอะไรเรียกว่าไม่ติดติดนิมิตเนะีเวลาไปเห็นป๊บขึ้นมาเนี่ย เวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ยวเวลาไปติดนิมิตความเป็นหญิงนะไปติดในความเป็นหญิงบ้างหรือไปติดนิมิตใยความเป็นภาพที่เห็นเฉพาะหน้าวัางงามหรือไม่งามเนี่ยนะหรือว่าอารมณ์ที่ปรากฏเนี่ยก็คือพอใจเนี่ยนะหรือไม่พอใจเนี่ยหรือบางทีก็เฉยเฉยไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้โมหางกินเนี่ยโดยมากเราจะเห็นแบบเนี้ยพอเห็นสิ่งใดปุ๊บก็ไปเห็นในความเป็นเอาอละ พอเราเห็นป๊บเนี่ยก็ไปติดนิมิตโดยความเป็นหญิงบ้างนิมิตโดยความเป็นชายบ้างนิมิตโดยความสวยงามบ้างไม่สวยงามบ้างหรือว่ามึนๆเฉยๆไม่พิจารณาบ้างใช่ไหมเห็นแต่ละทีเนี่ยมันจะได้อะไรกาหนัดขัดเครื่องแล้วก็ลุ่มหลงกําหนัดก็คือพอใจนั่นแหละขัดเครืองก็ลุ่มหลงข้อไหนเม <S US S> ื่อเราเห็นแต่ละครั้งเนี่ยอันไหนเกิดมากกําหนัดขัดเครื่องหรือหลง มึนๆเนงงๆอ่ะข้อไหนมากที่สุดน่าจะข้อสามโมหะมีกําลังดีทั้งนั้นเนี่ยโมหะกินเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราไปเห็นเจ้าการเป็นหญิงเลยไหมเห็นเจ้ากามสวยงามแล้วไม่สวยงามเลยไหมแล้วก็เห็นก็เห็นไหมเห็นก็ปุ๊บไปติดนิมิตนิมิตความเป็นหญิงถามว่าอย่างเงี้ยพอเราดูมาที่กล่องใบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปติดนิมิตแล้ เป็นกล่องสวยไม่สวยไปแล้วใช่จริงก็คือไอ้ธาตุสี่นี่แหละดินน้ำไฟลมนี่แหละแต่ละถูกบัญญัติซ้อนจนเนี่ยพอมองมาอย่างนี้เนี่ยมองมาอย่างนี้ยเราเห็นความต่างกันหมดเลยติดนิมิตหม ด, ดนีชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็มึนๆมอ ง, ม ง, มงไปเนี่ยส่วนอีกอนุพยัญชนะคือไปติดส่วนย่อยเช่นผมคิ้วตาหูจมูก ปากฟันสวดทรงหน้าอกขาแขนติดไหมนิมิตเลยเนะนี่ยเนี่ยนุพยัญชนะได้มากไปเห็นก็ไปเห็นส่วนย่อยก็ไปเห็นติดรายละเอียดอีเห็นไหมไอตัวกิเลส ข, ของมนุษย์เนี่ยกิเลสที่พัฒนาจนจนจนไม่รู้ตัวแล้วสติมันขาดจนไม่รู้หลงหลงลงืมลแ ล, ลนะ้วเนี่ยเห็นในการติดโดยนิมิตบ้างอนุพยัญชนะบ้าง เห็นการยิ้มบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้เศร้าใจเสียใจทั้งหลายเนี่ยนี่ไปเห็นส่วนย่อยเห็นรายละเอียดเก็บรายละเอียดหมดแหละนี่เก็บรายละเอียดแล้วกิเลสเกิดไหมเกิคนนี้ปากสวยนี่มันสวยไหมจริงๆปากไม่สวยฟันสวยเงี้ยจริงๆมันมีจริงไหมฟันสวยเนี่ยฟันสวยหรือไม่สวยฟันมันก็อยู่ในในฟันมันมีอะไรอ่ะมันเหมือนอะไรนะเหมือนดินเหมือนไอ เม็ดฟ้กักทองเสียบไปในดินฟันนี่มันเสียบไปในเหือมอย่างนั้นก็มีทั้งเสเลดแบบเสเลดใสๆสเล็ดแบบคุณๆได้ไม่หมดแหละแต่เหม็นมากเนี่ยในปากเขามนุษย์ทุกคนเนี่ยเหม็นมากอ้าก็ปากออกมาเนี่เหม็นแต่ ว, ว่าเราไม่เห็นไม่เพราะมันไปติดโดยนี้มินิมิตรการเป็นหญิงเป็นต้นเหล่านี้ยหรือโดยการเป็นชายพวกก็ติดอนุพยานชนะอีกเขาบอกว่าฟันสวยประมาณ ผู้หญิงคนนี้ฟันสวยผู้ชายคนนี้ฟันสวยแล้วก็ปากงามงามเหมือนเงี้ยเหมือนเงี้นริมขึ้นปากงามเหมือนเงี้ยจมูกโด่งตาก็งามเหมือนเงี้ยนะโอ้โหใ่ตางามได้ไงที่โผล่มานิดนึงเนี่ยแ้่ท่าเรามองดูสันฐานเข้าไปเจาะดูข้างในเนี่ยถ้าเป็นนักที่กา ย, ยวิภาคที่เคยผ่าศพมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นหมดทุกเส้นเอ็น ที่พวกหมอทั้งหลายก็มืนงงอย่างไม่รู้เรื่องอย่างเพราะไม่ได้พิจารณาให้เห็นด้วยความเป็นของไม่ได้งามจริงโอ้ถ้าหากไว้ศึกษาในเรื่องเนี้ไปกรีดเอาหนั ง, งออดูจมูกดูปากดูลิ้นดูฟันดูตาดูหูโอ้โหดูมันสมองคือมองแล้วมันเจาะเข้าไปเห็นข้างในหมดอย่างเงี้ยมันเข้าใจเลยว่าไอ้ไอที่อยู่ในฐานข้างในมันมีอะไรบ้างเนี่ยพอมองเข้าไปที่เนนเงี้ยก็จะเห็นหมดแล้ ไม่ใช่เห็นเพียงเปึกเปลือกเนี้ยนี่คือเขาเห็นดูอย่างศึกษาดูอย่างวิจัยแยกแยะดูปั๊บมันก็เข้าใจตาแต่ในนั้นมีเส้นประสาทเท่าไหร่ยระโยงระยัยเนี่ยเท่ากับเส้นอย่างกับไข่ไก่ใครแปลกเนี่ยนะเนี่ยทะเลาะออกมาเนี่ยมันถลนออกมาอย่างไรนะเนี่ยมันจะขนาดนั้นเลยนี้จมูกเนี่ยถ้ามองในเนี้ยเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นแท่งมาติดอยู่เพราะเอาเนื้อตรงนี้ออกเอาเอ็นตรงนี้ออกปุ๊บก็มีแต่กระมีแต่กระเนี่ย เนื้อกระดูกออกมานิดเดียวทั้งไหนไม่ต้องพูดถึงความสกรปรกจมูกสวยใบหูสวยเงี้ยปากสวยเงี้ยลิ้นสวยหู้ปลายใหญ่เลยแต่เนี้ยมีทั้งของไม่สะอาดเต็มไปหมดแต่เห็นไหมว่าเราไม่เคยถูกสอนให้วิจัยเข้าไปถึงความจริงตรงนี้เลยแล้วไม่เคยใช้สติเป็นฐานในการตั้งและปิดกั้นบาปแล้วใช้ปัญญาวิจัยต่อแล้วไปเห็นความจริงว่าความจริงมันมีแค่เนี้ย ถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บมีความไม่งามมันจะปรากฏขึ้นความไม่สวยมันจะปรากฏขึ้นแล้วก็ความไม่ชอบใจทั้งหลายเหล่านี้มันจะไม่เกิดจิตใจก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยสิ่งต่างๆาเหล่านี้ไม่น่ายินดีไม่น่าเพิดเพลินไม่น่าพอใจแล้วมันจะไม่มึนมึนงงๆหรอกอพอพูดอย่างนี้พอจะคิดตามได้ไหมแล้วก็เราจะคิดต่อดีนี้ต่อไปก็ฝึกคิดฝึกวิจัยแยากแยะต่อว่ามันเป็นอย่างนี้จริงไหม จริไม่จริงตรงนี้ก็คิดดูว่ามันมันเป็นขนาดนั้นเลยถ้าเรามองมาตรวจล่างมองมือสวยโอ้โหในนั้นประ ก, กอบไปด้วยหนังเอ็นไงว่าเนื้อแล้วก็เอ็นกระดูกไงมีเยื่อในกระดูกมองไปที่ตรงช่องท้องหน้าอกสวยอหอ้ยิ่งไปใหญ่เลยเต็มไปด้วยไขยมันในนั้นก็เต็มไปด้วยปอดบ้างตับบ้างใช่ไหมหัวใจบ้า ง, งผังขืดเต็มไปหมดแล้วตรเนี้ย ม, ม้ามเพราะงั้นเธอไส้ใหญ่ เพราะงั้นเถอมีไตไหมโอ้โหเต็มไปหมดถ้าชงมองชุกลงต้องชงล่างขึ้นมาบางคนบอกว่าโอ้โหทองสวยเอวสวยออือนี่นั้นเน่ยเต็มไปด้วยกระเพาะอาหารใหม่ลึกต่ำลงไปอีกเป็นอาหารเก่าอุจลาเนี่ยเองไอที่อาหารใหม่ใส่เข้าไปก็เริ่มเละแล้วก็เคี่ยวเนี่ยเละแล้วเริ่มเริ่ ม, มถูกไฟไฟธาตุเข้าไปบดละเอียดแล้วด้วยอาหารเก่าออกเป็นสีเหลืองลเลยทีนี้ อันนี้รอการขับถ่ายแล้วก็ยังน้ําปัสสาวะอีกที่รอจะถูกการขับถ่ายโอ้โหไอ้ใช่ไหมทวารทั้งเก้าอ่ทะทวารตาก็เป็นที่ไหลออกขี้ตาทวารหูก็ออกขี้หูทวารจมูกอ่ะขี้โม้ทวารปากก็เสลดน้ําลายทวารหนักอ่อุจจระทะวารเบาปัสสาวะโอโไม่ได้มีอะไรเลยเหมือนอะไรนะ เหมือนถังอุจจาระเพราะงั้นถังอุจจาระแล้วปิดฝาไว้แล้วก็มีรูไหลเยิ้มเหมือนถุงหนังเนี่ยตอนนั้นกัน้ําอุจจาระน้ําปัสสาวะเป็นน้ําอุจจาระที่มันเหม็นี่ยมันเยิ้มอยู่ทั่วถุงหนังนั่นเนี่ยนี่เหมือนกันร่างกายของปสัตว์ทั้งหลายนี้ก็เหมือนกับถังอุจจาระนี่แหละเพราะงั้นในนั้นใส่อุจจาระใส่น้ำใส่อะไรวะเต็มหมดเลยมันก็เยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่เหงื่อไคยทั้งหลายเยิ้มตลอดเวลาเหม็นไหม เางัีบางทีไอ้ตรงไหนปรีอมาก็ไหลออกมาไหลออกมาไหลออกมาเป็นอุจจาระบางปัสสาวะบางไหลออกมาเป็นน้ำลายบางเป็นน้ำมูกบางเบลีขี้หูบางขี้ตาบางไหลตลอดเวลาเนี่ยตามตามรูขิวุมขนอีกไม่รู้กี่แสนแสนรูขุมขนเนี่ยก็มีไอ้น้ำเหงื่อผักของสัไม่สะอาดออกมาเยอมอยู่ตลอดเวลาว่างั้นเป็นรูพุนพุุพุนเต็มไปหมดเนี่ยชอบใจกันเนี่ยจะดูเห็นอย่างนี้ปุ๊บ มนุษย์ดีมันมีอะไรดีไหมมีอะไรดีไ้มเนี่ยอื mm. ้เคยคิดแบบมี้ไหมในชีวิตไม่เคยไม่คิดอย่างนี้เราโง่ตายโง่เลย <c oughs> อย่าแปลกใจว่าคนทำไมถึงไปซกกอดกันได้ mm. ใช่ไหมไปคลอเคลียกันได้ว่าง้งเถอะไปยินดีไปเพลิดเพลินกันได้อย่าแปลกใจเพราะโมหะมีกำลังจัด ความมืดบอดมีกําลังจัดความไม่ชันฉลาดถ้าคนฉลาดทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเขาไม่อยากถูกถูกต้องแล้วไม่กายตัวเองนี่ก็สิอิเยียนเต็มทนแล้วงั้นเถอะใช่ไหมแค่กายตัวเองก็สิอเสียนเต็มทนแล้วแม้ยังจะเที่ยวเป็นแบกกายคนอื่นเมื่อเกี่ยวข้องเหม็นนักเก็ตดูสิลองเข้าในห้องแต่ละคนดูสิแม่อาจารย์เปิดประตูไปที่ผงาทุกรายเหม็นเหม็นตายหาเลยห้องพวกนี้ว่างั้นจะไปกินอะไรมานี่เหม็นแม่อาจารย์นึก โมหาเรามีกําล no. ังไงเพราั้นไม่รู s. <S ้กลิ่นเลยกลิ่นยังไม่รู้กันเลยพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยที่เราอืออะไรเหม็นลองเอาออกจีวรจีวรเหม็นว่างั้นจีวรเนี่ยถ้ามันไม่มาถูกกายที่เน่าเนี่ยมันจะเหม็นไหมมันเหม็นเพราะมันมาพันกายที่เน่านี้สะบองเหม็นว่างั้นโอ้โหไม่เหม็นได้ไงมันเยิ้มจะตลอดเวลาไหลตลอดเวลาอุ้ยที่นอนเหม็นว่างั้นเอาวางไม่เฉยเฉยมันเหม็นไหมที่นอนเนี่ย มันไม่เคยเหม็นเราแต่มาถูกกายยีเน่าเนี่ยมันเหม็นเพราะเออไอ้เหม็นต่อเหม็นมันเลยอยู่ด้วยกันเนี่ยโมหะต่อโมอหะใครเหม็นมากเหม็นน้อยเหม็นโอ้ยบ้าโอก็อบอกว่าถ้ามีปัญญาเข้าไปเห็นความจริงหน่อยบอกโอ้โหเต็มไปได้วยมูดและกรี๊นะเป็นไปได้วอุจราระและปัสสาวะ อา้าวผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไตใหญ่ไต้อยอาหารใหม่หานเข่ามันสมองดีสเสเลดหนองเลือดเนื้อเหงือห่อนำมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำปัสสาวะอะไรเงี้ยมันไหลอยู่ตลอดเวลางเนี้ยถ้ามองเห็นนี่ความจริงมันอยู่อย่างนี้นะแค่ผิวบางๆปิดอยู่เนี่ยมนุษย์ก็มึนมันก็มันแล้วงงแล้วไม่สามารถเข้าไปถ่ายถอน เกิดความกำหนัดกันได้ขัดเครื่องได้มัวเมาลุ่มหลงกด้อีกไอ้กายเน่าเปื่อยนี่ได้วงเถอะอันกายที่ไม่สะอาดนี่ได้เนี่ยติดนิมิตนะข้าก็ไปติดอนุวิยันชนะผมโอ้โหผมเป็นมันสวยว่างั้นนะไอ้ผมเนี่ยปากก็เป็นสีดาเนี่ยมันดูดกินอะไรน้ำเหลืองน้ำเลือดอาวถ้าเราผักชะอมก็ได้นะหรือว่าผักขมหรือผักตําลึง หรือผักอะไรที่มันกินได้ไปปลูกไว้ที่ไอ้ไอ้ส้วมอะปลูกไว้ที่ส้วมเนี่ยถังใกล้ๆถังส้วมที่ถายมันมันปลูกปได้ปุ๋ยอย่างดีเลยใช่ไหมงามสะพั่งเลยแล้วก็โอ้โหผักตำเรืองนี่อร่อยสุดยอดสิไอ้ผมเนี่ยใช่ไหมเจ้ปาปลักเข้าไปในห น, งนงังศีรษะเนี่ยมันก็ดูดกินเลือดขึ้นมาโอ้ยอย่างเนรชมัมเนี่ยบอกโอ้ยเสียใจ ไม่ไม่ไม่ไม่เวลาจะโกนผมแม่เสียดาย<อ>ผมที่เน่านั้นยิ่งผมยาวขนาดไหนก็ยิ่งเหม็นมากขนาดนั้นมันยิ่งออกม า, มากขนาดไหนก็แปลว่าในนั้นมันดูดน้ำเลือดน้ำหนองมากขนาดนั้นแหละเอามาหล่อเลี้ยงมันในนั้นเน่ะมันจริงสีมันก็ไม่ได้งามอะไรหรอกมันจะไปงามได้ยังไงเพราะมันดูดของไม่สะอาดสีใช่ไหมกลิน่นกลิ่นก็เหม็นผมเนี่ยเอาเอาผมไปไปไ ป, ไ ป, ไปเผาไฟดูนะ ตัดผมมาเราไปไปไปใส่ไฟเผาเหมือนเลยขึ้นมาเลยไฟหรือผมผมนั่นแหละเพราะมันมีกลิ่นอย่างนั้นแต่พอไปมีปฏิกิริยากับความร้อนขึ้นมามันเลยส่งกลิ่นออกมาเพราะจริงๆมันมันเหม็อนอยู่แล้วผมเนะี่ยมันเหม็อนอยู่แล้วฉะนั้นพระในพระาศาสนาเขาถึงโกนทิ้งซะมันจะได้เหม็นน้อยหน่อยเท่านั้นเองอ่ะจะได้ไม่เป็นภาระฉนั้นการโกนเลยกลายเป็นสุดยอดของเลยเป็นทรงที่ดีที่สุดในโลกนี้ แล้วก็เป็นทรงที่เก่าแก่ที่สุด 2,500 กว่าปีแล้วทรงเนี้ม <c oughs> ีไหมแล้วว่ามีทรงไหนบ้างที่ถาวร อ, อ, อที่เป็นอมะตะไม่มีมีทรงนี้แหละทรงของนักบวชนี่แหละ อ, อมีจีวรอเสือเอ้อผ้าอะไรบ้างที่มันรู้สึกว่ามั่นคงถาวรเยอะยาว 2,000 กว่าปีมีไหมน่าจะลงจินนิสบุ๊กนะใช่ไหมว่ามันเป็นทรงเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นชุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นี่ตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสองพันหร้อปีแล้วฟังกันเถอะ ต, ตั้งแต่สตัลโลมาเนี่ยไม่มีนะคือไหนที่มันจะยืนยาวขนาดเนี้นักข่าวนักข่าวเปลี่ยนกันตลอดไอ้ทรงผมก็เหมือนกันเดี๋ยวทรงนั้นทรงนี้สภาพตัดกันแต่พุทธเจ้าเนี่ยเกลี้ยงตลอดเลยใช่ไหมของเราเนี่ยมีทรงเดียวเท่านี่ยสุดยอดไหเงี้ยเท่มากไม่มีทรงไหนที่จะเท่แล้วดูดมดูโอ้โหเขาเรียกว่า ไม่เนื้อทรงที่เก่าแก่ที่สุดชุดก็เป็นชุดที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนคนอื่นโอ้ไปงานแต่งก็ชุดหนึ่งไปงานบวชก็ชุดหนึ่งใช่ไหมขึ้นบ้านใหม่ก็ชุดหนึ่งไปงานราตรงราตีอะไรเขาก็ไปรู้ก็ชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งแต่ละชุดแต่ละชุดไป่งของเราเนี่ยชุดเดียวไปได้ทุกงานโอ้หสุดยอดจริงจริงแมก็ต้องเปลี่ยนสไต โอ้ยมีสุดยอดจุดนี้ยังไม่ชอบอกนดีชุดขนาดดีขนาดนี้แม่คนมึงกันเองเอาไรเห็นไหมเนี่ยของไม่งาวนะึงไปดองกอ็งาอนนี่พระยาาก็สอน <c oughs> บอกว่าเธอเห็นลูปในตาแล้ว <c oughs> ไม่ถือติดนิมิตนิมิตคือภาพรวมทั้งหมดเือความเป็นหญิงเป็นชาย สวยไม่สวยไม่ถืออนุปยันชนะส่วนย่อยแต่ถ้าคนมีสติเนี่ยก็ไม่ไปถือไปแยกแยะผมงามขนงามเล็บงามฟันงามจมูกงามใช่ไนะ <Okay. S 1> นิ้วงามเนี่ยขางามเนี่ยจะไม่ไปถืออย่างนั้นเธอปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือจักสู ที่เมื่อเธอไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุสุลธ ร, รรมอันซามคืออวิชาความติดไข้ชอบใจและโทมนะความขัดเคืองเสียใจครอบงำํำเห็นไหมถ้าไม่สํารวมนี่ไหมว่าบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วทั้งหลายก็ยังไม่ถือนิมิตคือภาพรวมไม่ถือนุวัตยชนนะคือส่วนย่อยแล้วเธอปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย์คือจักสุขที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อคุสุลธรรมอันลางมกเกิดขึ้น ถ้าไม่สัมรวมนะไม่ระวังนะมีปิดบาปนะจะเป็นเหตุให้ความกำหนัดเกิดแล้วก็ความขัดเคืองเกิดใช่ไหมเวลาดูไปแล้วเนี่ยเกิดกำหนัดใช่ไหมยินดีพอแล้วขัดเคืองแล้วก็หลงหลงมูลุ่มหลงเกิดขึ้นนี่หนไหมมันเป็นโทษอย่างเงี้ยอันนี้การใช้ตาเป็นคือดูเป็นไม่ใช่ดูได้อย่างเดียวนี่ดูเป็นอะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายต้องไปฝึกกันแล้วไม่ใช่ฟังแค่นี้ปุ๊บแล้วก็จบอยู่เพียงแค่ตรงนี้ต่อไปก็ต้องไปสังเกตไหม เป็นสังเกตในการที่จะต้องฝึกฝึกฝนพัฒนาทำสติแล้วก็สม ป, ปัญญาคือปัญญาให้เข้าไปรู้ชัดรู้ทั่วรู้อย่างท่องแท้รู้อย่างชัดเจนที่เกิดขึ้นถ้าหากไม่สมรวมหรือไม่ไม่ปิดบาปไม่ละบาปในขณะที่ดูเอาละอภิชาความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินเกิดโทมนัสความทุกข์ความโทมนัสเกิดหรืออีกอย่างหนึงก็ไม่ไข้ควรไม่พิจารณาก็ความม ม, มลเมารุ่มหลงก็เกิดขึ้นแน่นอน นี่ไงไหมว่าเธอรักษาจากขุนศีเธอถึงการสัรวมในจากขุนศีเนี่ยนี่เอาทวารตาเป็นประมาณทีนี้ในพระสูตรก็จะพูดถึงทุกทวารเลยทีเนี้ยทั้งทวารหูฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรส ด, ด้วยริ้นถูกต้องพลตภาณด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วเช่นเดียวกันนะพิกษูเนี่ยประกอบด้วยอินทรีย์สังวร อ, อันเป็นอริยนเนี่ยย่อมได้สวยสุข อันแล้วไร้ระคนก็คือไม่เจือด้วยกิเลสแล้วในภายในอย่างนี้แหละมาครบพิษภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเ อ, อในกรณีแห่งการอินทรีย์สังวรเนี่ยยังเป็นขั้นของผู้ฝึกหรือเริ่มศึกษานะเนี่ยเป็นการฝึกหรือเริ่มศึกษายังไม่ใช่ขั้นของความเป็นพระอรหันต์ผู้ที่มีอินทรีย์อินทรีย์สังวรเนี่ยนะถ้ามองในลักษณะอย่างนี้เราก็จะมองเห็นว่าโอ้โหการปิดบาป ไม่บาปเกิดในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วคิดนึกเนี่ยถ้าสามารถใช้สติหรือเอาสติเป็นประธานเนี่ยนะในการปิดบาปของเสรารธรรมมันชั่วร้ายได้ปุ๊บเนี่ยอันนี้ขั้นตอนแรกมีประสบความสำเร็จแล้วนี่ขั้นแรกเลยนะขั้นต้นสุด ๆ, ๆเลยนะฟังเสียงได้หูแล้วเนี่ยนะฟังเสียงแล้วเนี่ยก็ไม่ไปติดนิมิตหรืออนุพยัญชนะโดยมากเราจะไปติดเสียงหญิงเสียงชายเสียงนกเลไหมฮะ แล้วในข้าวในข้าวก็เสียงเพราะไม่เพราะขึ้นมาโอ้ยเนี่ยภาลนาไปเห็นส่วนย่อยอีกไม่เลยเพราะเรามีสติปิดกันว่าไอ้เสียงก็คือเสียงเนี่ยปิดกันบาปกับศรทัทธามันชั่วรลายได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยขั้นตอนในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าปิดบาปใ น, นไม่ให้ความกำหนัดเกิดขึ้นคัดเคืองเกิดขึ้นความมัวเมาลุ่มหลงเกิดขึ้นในขณะที่ดูในขณะที่ฟังในขณะที่ดมกลิ่นในขณะที่ลิ้มรสอาหาร โอ้โหเดียวจะว่ากินอาหารเนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วพวกเราต้องใช้ทวารเหล่านี้กันประจําเลยทุกวันเลยใช่ไหมไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่ใช้ใช้ตาไม่ใช้หูไม่ใช้จมูกไม่ใช้ลิ้นไม่ใช้กายแล้วไม่ใช้ใจโอ้หเราผ่านทุกทวารเลยเนี่ยเราทาตลอดเลยนะเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยทวารไหนใช้มากที่สุดเนี่ยตาหูนี่ใช้ตลอดเลยไหมตาลองสู่ใจใช่ไหมทวารใจนี่แหละด้อยมากแล้วก็ปล่อยเผลอเลอะหมด หลุดลุ่ยหมดเลว่ะงี้ยเธอเป็นคนที่ไม่ปิดไม่กั้นอะไรเลยเหมือนคนเปิดประตูเปิดประตูหน้าวัดเปิดทุกบานเลยว่ะเงี้ยเธอทิ้งเห็นไหมเหมือนเปิดประตูทิ้งไว้เงี้ยโอ้ไม่ปลอดภัยเลยนี่ก็เหมือนกนารพวกเราเนี่ยอยู่กันอย่างคนไม่ปลอดภัยอะไรเลยเหมือนเหมือนเนี่ยกรทัศน์กายเหมือนเมืองเลย <daughter S 1> ว่ะงี้ยประตูเมืองเปิดหมดแล้วเปิดทุกด้านเลยวนะ่ะเนี้ยโอโจรมีเข้ามาป้อนอะไรก็ได้ เข้ามาเผาเมื่อไรก็ได้เข้ามาทําลายเมื่อไรก็ได้ง่ายมากเป็นคนประมาทเลื่อเลื่อยู่ปล่อยให้บาปกุศลธรรมมันชั่วร้ายกเกิดขึ้นอย่างเร่แล้วเราเรา น, น, นี่ความไม่มีสติความไม่ฝึกสติความไม่มีปัญญาในการคิดอ่านใครควรพิจารณาแยกแยะเป็นโทษยิงนะฟองเห็นไหมบาปกุศลธรรมชั่วร้ายก็เกิดขึ้นนี่นี่การตอนนี้หนึ่งนะนี่ทีนี้อินทรีย์สังวรเนี่ย ถ้าทำให้มากแล้วนี่นะเจาะลึกลงไปอีกนะเจาะลึกลงไปนี่นะเออจะทำให้สุดจริตสามบริบูรณ์นะเด็เอพอปิดบาปทางทวารตาได้ปุ๊บพอราคาโทสะโมหะไม่เกิดนะกำหนัดไม่เกิดขัดเคืองไม่เกิดรุ่มหลงไม่เกิดทางทวารตาปุ๊บก็เป็นเหตุให้ได้กายสุดจริตด้วยเห็นไหมพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยบาปไม่เกิดทางตา ความกำหนัดไม่เกิดความขัดเคืองไม่เกิดความรุ่มหลงไม่เกิดกายก็สุดจริตจะเปล่งว่ากายวาจามาก็สุดจริตใจก็สุดจริตเห็นไหมแปลว่าอะไรเนี่ยถ้าสํารวมบาปทางทาวารตาปุ๊บทวารหูตุ๊บปุ๊เป็นต้นเนี่ยถ้าปิดบาปได้ทันปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ไม่ประกอบทุจริตทางกายทางวิจาและทางใจโดยเฉพาะใจก็ไม่เปลี่นมนโนทุจริตลองคิดดูนะว่าถ้าไม่สารวมระวังนะเห็นชอบ พอเกิดชอบขึ้นมาปุ๊บเอาละสิรักดีไหมเนี่ยจัดการเลยดีกว่าหรือเนี่ยเออไปเห็นนะปุ๊บพอเกิดชอบขึ้นมาพอเห็นผู้ น, นี้เห็นคนนี้เกลียดใช่ไหมไม่พอใจขึ้นมานะพอไม่พอใจขึ้นมาด่าดีกว่าเข้าไปก็ใช้วาจาประทุษร้ายดาลลย่ดาด่าแล้วเป็นอะไรวจีทุจริตไหมนี่เห็นไหมเนี่ยจากการเห็นไม่ปิดบาปเนี่ยวิจิตรจริตเกิดก็ได้ หรือไปชอบใจก็ใช้วาจาแทะโลบภเป็นวัจจีทุจริยเกิดก็ได้เป็นกายยทุติยฤกก็ได้ไอ้ใจมันทุติยฤกจะไม่ต้องพูดถึงนี่เห็นมาว่าถ้ลึกลงไปอีกก็คือว่าถ้าปิดบาปทางตวานตาหูจะบุกลิ้นกายใจได้แล้วก็ทําให้สุดจริศสากายยึดสุดจริศวัจีสุดจริศมโนสุจริตเกิดขึ้นเมื่อเราทําสังวรนี่เกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องต่อต่อต่อเนื่องทางตะวันตาหูจะบกลิ้นกายใจแล้วกายก็สุดจริตวาจาก็สุดจริตใจก็สุดจริศนี่ จากสุจริตเนี่ยทำให้มากขึ้นมากขึ้นนะเข้าสติปัฏฐานจะบริบูรณ์สติปัฏฐานทําให้มากขึ้นมากขึ้นโพชฌงเจตก็จะบริบูรณ์โพชฌงเจตทําให้มากแล้วเนี่ยก็ทําให้มรแปดนี่นะ ว, วิชาหรือวิมุตเนี่ยบริบูรณ์ไปตั้นแต่เหล่าเนี้ยอันนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนกุณทรีอินทรีย์สังวรอันบุคคลเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วจะยังสุจริตสามไมบริบูรณ์กุณ ดูก่อนกุลตรีภิกษุในเพระธรรมวินยัยนี้เห็นรูปที่น่าชอบใจด้วยจักสู่แล้วไม่ติดไข้ไม่เหิมใจไม่ก่อราคะความกำหนัดให้เกิดขึ้นและกายของเธอก็คงคงตัวจิตก็คงตัวมั่นคงดีในภายในปลอดพ้นไปด้วยดีอันนึ่งเมื่อเธอเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจด้วยตาแล้วก็ไม่ขัดเขินไม่กระด้างใจไม่บีบใจไม่ขุนแค้นใจเนี่ยกายของเธอก็คงตัวจิตก็คงตัว มั่นคงดีในภายในปลอดพ้นไปด้วยดีนีไ่ไหมไม่ว่าจะฟิกษูฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรส ด, ด้วยริ้นถูกต้องปวดทภาด้วยกายรู้ธรมรมอารมณ์ด้วยใจแล้วก็เช่นเดียวกันนะลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อเห็นรูปเป็นต้นเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีความไม่ขัดเขินไม่กระด้างใจไม่บีบใจไม่ขุนเคลิ้แค้นใจ กายของเธอก็คงตัวจิตก็คงตัวมั่นคงดีในภายในปลอดพ้นไปด้วยดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยดูก่อนคุณตรีอินทร์สังวรนั้นบุคคลเจอแล้วก็ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมยังสุดจริตสามไม่บริบูรณ์เนี่ยถ้าจากนั้นจะดูจากการฝึกอย่างนี้อีกเนี่ยตอนนี้แหละก็เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาแล้วในภาวนาสูตรที่เรียกนั่นการฝึกนะีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าไผ่ ในชังครารณิคมอุตตรามานพเป็นสิทธิของปาราเซดาปาราสิเ ร, ร, รียพรามเนี่ยเข้าไปเป่าพระเจ้าถามบอกว่าคื อ, อพรามเนี่ยสอนอินทรีย์ภาวนาเกณฑ์เราสาวกใช่ไหมเมื่อเขาบอกว่าใช่พระ อ, องค์ก็ตรัสบอกว่าปาราสิเรียพราหมเนี่ยสอนการพัฒนาอินทรีย์อย่างไรเขาก็ทูนตอบว่าปาราสิเรียพรามเนี่ยสอนอินภาวนาด้วยการไม่แห่าตาไปดูรูปไม่เอาหูไปฟังเสียง พวกนั้เถอะพระริจ้าก็ตัดว่าออถ้าตามหลักการที่พราหมณ์นี้สอนอยู่คนตาบอดคนหูหนวกก็มีพาพาพาพ า, พาวิาววติินซีได้คือพัฒนาอินทรีย์ได้ดีและเสียวไอมคือวิธีการของเขาก็คือว่าวิธีการเจริญของพราหมณ์ท่านนี้ก็บอกว่าถ้าต้องการอยากจะเจริญเนี่ยทางอินทรีย์ภาวนาเขาเนี่ยจะทําให้ตาไอ้ก็คืออย่าไปเห็นหลับตาเสีอย่าไปดูมัน บอกอย่าหูไปฟังเสีย ง, งแค่นี้เปาเก็ไม่เกิดแล้ววันนั้นออพระเจ้ากฤษยนถามบอกว่า อ, อในการเจริญอินทรีย์ภาวนาของพระามนี้สอนแม้แต่คนตาบอด ก, กับคนหูหนวกนี่ก็คงจะบริบูรณ์เลยนะเจริญได้ดีใช่ไม่ใช่อแต่หลักการในเกินในการเจริญในพระธรรมวินัยนี่เป็นแบบนั้นไหมไม่ใช่เลยนี่ไม่ใช่เล ย, เลยจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าแต่ละการพัฒนายินทรีย์อย่างที่ปาราสิริยพรามสอนนั้น เป็นคนละอย่างต่างจากอินทรีย์ภาวนาอย่างยอดเยี่ยมในแบบแผนของอาริยชนถ้าแบบแผนของอาริยชนในอริยวินัยเนี่ยพระนรนก็ทูลถามให้ทรงแสดงหลักอินทรีย์ภาวนาอันยอดเยี่ยมในอาริยวินัยเนี่ยก็เลยตัดข้อความบอกว่ามีโดยอุปมาแบบแบบสรุปสรุปนะบอกอินทรีย์ภาวนาผู้เจ้าสอนไงดูกว่านรนอินทรีย์ภาวนาอย่างยอดเยี่ยมในวินัยของอาริยชนแบบอย่างของพัลยานเนี่ยเป็นอย่างไรบอกดูก่อ น, นนรนนะ เมื่อเห็นรูปด้วยจักสู่สภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นใช่ไหมคือความชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นเนี่ยสภาพทั้งที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นเนี่ยแกพิสูจน์ในประธรรมวินัยนี้เธอรู้ชัดก็คือรู้เท่าทันเนี่ยอย่างนี้ว่าสภาพที่น่าชอบใจและสภาพที่ไม่น่าชอบใจทั้งสภาพที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแก่เราเช่นนี้ก็แต่ว่าเห็นไหมมนาสิกานันดีว่า สภาพที่น่าชอบใจสภาพที่ไม่น่าชอบใจเนี่ยทั้งสภาพที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจนั่นแหละเป็นภาวะบุงแต่งเนี่ยเป็นการบุงแต่งแล้วบุงแต่งภายในจิตแล้วเป็นของอยากอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะนี้จึงสงบสภาวะนี้จึงปราณีตกล่าวคือเบขาเนี่ยคือใจเฉยโดยตรหนักรู้อยู่ในดุลกรณีวางเฉยได้เลยเออพอให้สังเกตดูนะว่ า, วาเวลาเห็นรูปด้วยตาปุ๊บเนี่ย สภาพที่น่าชอบใจเกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าชอบใจเกิดขึ้นทั้งที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นไอภาวะที่เกิดขึ้นในใจแบบนี้แปลว่าสภาพอะไรเกิดขึ้นแปลว่าวการปรุงแต่งแล้วชัดไหมตอนนี้เราปรุงแต่งกันชัดไหมเรื่องกรณีแบบนี้ในชีวิตประจําวันของเราโอ้ยปรุงแต่งกันเยอะเลยเพรเห็นบ้างก็ปรุงแต่งชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจท่านก็มาพิจารณาทันทีว่าทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นภาวะปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น อ๋อมันเกิดขึ้นจากปัจจัยนี่พอพิจารณาอย่างนี้อ๋อจริงๆเนี่ยเราไม่ปรุงแต่งก็ได้เพราะเราไปปรุงแต่งทงัทง้ทงท่านที่เห็นเน่ครั้งเดียวแต่เรามาปรุงแต่งซะโอ้โหเลอะเลอะเลยโดนด่าครั้งเดียวเนี้ปรุงแต่งซะจนเครียดน้อยใจใช่ไหมบางคนก็เพอะไอ้เครียดชิงชังไอ้โดนด่าครั้งเดียวไปเนี่ยไอ้เสียงด่านั้นหมดไปแล้วก็ยังจําอยู่นั่นแหละจําฝังใจไม่ลืมเลยว่างั้นจะโดนชมครั้งเดียวก็บา้บาบ้ายออยู่นะั่นแหละเคยเจอไหมบางคนเนี่ย เกิดมาเป็นคนบ้ายอเขาชมครั้งเดียวแค่นั้นนะหัวเลาะดีใจเออคนนั้นชมฉันนะคนนี้ชมฉันนะก็มาปรุงแต่งอยู่นั่นแหละทั้งครั้งชอบใจและไม่ชอบใจอภาวนการปรุงแต่งอยู่ crowds. ไม่เห็นมีอะไรเลยเราจะปรุงแต่งยังไงก็ได้ก็ปรุงแต่งบาปให้เกิดขึ้นก็ได้ mm hmm. ปรุงแต่งบุญที่เกิดขึ้นก็ได้ปรุงแต่งความชอบใจให้เลื่อนในใจปรุงแต่งความเครียดความโกรธความหงอยเหงาเศร้าซึมไม่เกิดขึ้นก็ได้อย่างมาบวชอยู่เนี่ยปรุงแต่งอยากศึกได้ไหม เราปงอยู่เนี่ไม่นั่งปุงแต่งนี่เลยนะโอ้โหอยากจะสึกอยากจะสึกอยากจะสึกบ้าอยู่นั่นแหละว่างั้นจะไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมอยู่การปุงแต่งในโลกนี้ไมีอะไรไม่อยู่ความเป็นจริงเลยอยู่การปุงแต่งเอาจิตไปปุ้งแต่งเล่นไปงั้นแหละปุงแต่งจะนอนไม่ได้เนี่ยปุงแต่งทาไมงั้ยนะทําไมไปปุงแต่งขนาดนั้นบางคนก็ได้กินอาหารดีสักครั้งเดียวหรืออยากจะกินอาหารเนี่ยปุงแต่งอยู่นั่นแหละใช่ไหมเนี่ยปุงแต่ง ถ้าบอกพิจรารณาว่ามันอาศัยปัจจยเกิดขึ้นภาวะนี้ก็สงบภาวะนี้ก็ปราณีกรารผู้เบิกหายหัวใจก็เฉยในตระหนารู้อยู่ในดุล น, นะสภาพที่น่าชอบใจสภาพที่ไม่น่าชอบใจทั้งสภาพที่น่าชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแก่เธอนั้นก็ดับหายผู้เบกขาก็ตั้งได้ที่ละสนิทพระเจ้ามาดูก่อ น, น, นอนนลนะภิกษุรูปหนึ่งรูปใดนะที่สภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งหน้าชอบใจและไม่น่าชอบใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายอุเบกขาตั้งตั้งที่สนิทโดยเร็วโดยโดยฉับพลันทันทีโดยไม่ยากลําบากเหมือนดังบุรุษที่ตาดีลืมตาแล้วก็หลับตาหลับตาแล้วก็ลืมตาดูก่อนอานอน์นี้เรียกว่าอินทรียีภาวนาในรูปที่รู้ได้จากสุนยอดเยี่ยมในวินัยของอริยชนเห็นไหมโอ้โหกางคนนี่ฉลาดขนาดนั้ น, นะ น, นเนอะหวังว่าจะเขาสามารถที่จะล้า บ, บาปได้รวดเร็วมาก เขาไม่ต้องใช้เวลานานอย่างยกตัวอย่างเช่นแต่เราไปมีมีใครดา่าเราปุ๊บนี่นะด่าปุ๊บเนี่ยเรามันปุ้งแต่งใช่ไหมปุ้งแต่งเครียดกโกรธน้อยใจเสียใจเน่ยเคยเป็นไหมเราโดนต่อว่าโดนดา่าโดนตําหนิแล้วกโกรธเคยเป็นไหมใช่ไหเวาโดนดา่าโดนว่าแล้วหมอยเหงาโกโรธเนี่ยเคยเป็นไม่เคยเคยไม่เคยเคยไหมเคยไหมเนี่ยกรณีแบบเนี้ย แต่ถ้าหากว่าคนที่ฉลาดในในการที่เขาฝึกจิตของเข้ามาดีแล้วปุ๊บเนี่ยเขาอกอไม่เห็นมีอะไรเลยเสียงด่าดับไปแล้วนี่เรามาปรุงต่อเขาด่าครั้งเดียวเราปรุงตั้งล้านครั้งงงไม่บีบคั้นบีบคั้นใ จ, ใจิตใจตัดขั้วเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนนเถอะเขาสามารถอ๋อมันเกิดขึ้นจากปัจจัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งถ้าเราหยุดปรุงแต่งใช้มันก็หยุดที่ปรุงแต่งต่อทํ า, าทไมไม่มีสาระปรุงแต่งบาปให้เกิดขึ้นในใจเราตรงพอปรุงแต่งขึ้นมาใจร้อนไหม โอ้โหสภาพจิตใจร้อนรุ่มกโะวนกวายหน้าตาขึงเครียดขึ้นมากลายเป็นคนซ้ําเติมตัวเองบีบขั้นตัวเองตลอดหรือบางทีว่าเขาไปชอบใจสักเรื่องหนึง่งอยากจะกินอะไรขึ้นมาเห็นอะไรสวยๆก็ม า, าปรุงแต่งต่อโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยปรุงแต่งไปเรื่อยๆนีไหมความหลงค ว, หลวความโลภความโกรธก็ปรุงแต่งอยู่ตรงนะั้นแหละไม่เรื่องนั่นตงในแบบแผนอริยชนปุ๊บเขตัดวงจรเลยนี่มาในการปรุงแต่งดีกว่าไม่เห็นมีจริงเลยเลยเพราะฉั้นจะหลอกตัวเองทําไมเนี่ยพอตัดปุ๊บอย่างเงี้ย เขาสามารถทําได้อย่างรวดเร็วเหมือนอะไรเหมือนคนหลับตาปุ๊บลืมตาหลับตาลืมตาเขาทำได้เร็วไหมเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็สามารถาาระบาปได้เร็วอยังงั้นเนี่ยอินทรีย์ภาวนานยอดเยี่ยมในวินัยในแบบแผนก็อริยชนเห็นไหมจากการเห็นพวกปูนแต่งเขาจะตัดวงจรการปุงแต่งได้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญารวดเร็วฟังเสียงนี่หูปุบ๊บนีได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยหรือเห็นรูปชอบใจไม่ชอบใจปุ๊บเขาจะไม่ปูงแต่งต่อ ได้ฟังเสียงในหูปุ๊บเขาจะไม่ปรุงแต่งต่อดอมกลิ่นชอบไม่ชอบปุ๊บนี่ยเขาจะตัดทันทีเขาจะไม่ให้การปรุงแต่งนั่นต่อกินอาหารปุ๊บโอ้โหอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยทั้งหลายเนี่ยเขาจะหยุดการปรุงแต่งทันทีเขาจะคำนึงถึงประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จะขมยังไงจะเปรี้ยวยังไงจะหวานยังไงจะมันยังไงก็ไม่สนใจเขาสนใจว่าไอ้นี่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่เป็นประโยชน์แล้วต้องการฝึกผลพัฒนาตัวเองก็ตัดวงจรทันทีเลยนะถ้าไม่ปรุงแต่งต่อเปนคนบ้าสัมผัสเย็นร้อนทั้งหลายคนอุ้ยทนไม่ได้ร้อน โอ้ยทนไม่ได้ต้องเอาพัดลมจออยู่นนเนี่ยเนี่ยเนี่ยปรงแต่งไปเรืยๆๆๆโอ้ยร้อนใหญ่เลยเดี๋ยนี้จากร้อนนิดเดียวปรุงใหญ่ประาณนั้นพราหนาวมันกระทบกับปรงแต่งเท้ า, ท แ, าแล้วก็เป็นรอกความคิดตัวเองชอบแชมป์ชอบอากาศอย่างเงี้ยแชมป์ชอบอากาศอย่างเงี้ยเออไปบล็อกตัวเองไว้อย่างนั้นเลยเนี่ยลกลายเป็นคนไม่ฝึกฝกนไม่พัฒนาเลยอยู่แค่นั้นแหะทื่อๆอยู่แค่นั้นแหะไปไหนะที่ไหนก็ฉันจะเอาแค่นี้ ไม่อยู่กับโลกกว่าจริงแล้วอยู่กับโลกจองปองลอมนะเช่นฉันจะเอายิบยี่ห้าองศาก็าจะเอาตรงนั้นนะไอ้โลกมันไปตั้งสามสี่องศาแเราอยู่กับมันก็ไม่ได้โลกมันไปสิบหองศาก็ายังอยู่กับมันไม่ได้เพราะฉันจะเอายี่ห้าเห็นไหมเป็นล็อกความรู้สึกไว้ตรงนั้นยี่ห้าหลอกรวมทั้งนั้นเองเห็ไหมไม่เห็นมีอะไรเลยใจเราไปชอบล็อกไว้ตรงไหนไมันก็เป็นงั้นเราต้องสามารถที่จะอยู่กับมันได้แล้วต้องไม่ปรุงแต่งต่อเขาอ้าใจยังอยู่ในสถานการณ์อย่างไรแหละเราต้องไม่ปรุงแต่งใจต่อ แล้ไปตุงป้งปแต่ชอบไม่ชอบเพืนก็กลายเป็นเราไม่อยู่ความเป็นจริงแล้วอย่างเงี้ยหลอกตัวเองไปวันๆหลอกให้อยู่กับโลกของจินตนาการโลกของความหลอกลวงนั้นละเลยวิธีละก็คือว่าฝึกสติฝึกปัญญาเกิดขึ้นมาก็ละอย่างรวดเร็วฝึกจนชํานาญฝึกจนสามารถละได้เหมือนหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาเร็วไหมหลับลืมหลับลืมเร็วได้ขนาดไหนคนต้อฝึกสติปัญญาจนชํานาญแล้วก็สามารถละได้อย่างรวดเร็วอย่างนั้น อันนันคือจุดหมายของพวกเราต้องไล่ให้รวดเร็วไม่ใช่โอ้เขาระไรเลยตั้งนานแล้วอั น, นี้ยังมึนงงอยู่เลยอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่างั้นเถอะแทนที่จะตัดได้ตั้งนานก็ไม่ตัดแทนที่จะหยุดหดหูตั้งนานก็ไม่หยุดหดหูก็ไปคิดน้อยใจพ่อแม่แม่รักอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมพ่อแม่มีปัญหาพ่อแม่ว่าอย่างนั้นอะจรตางๆคิดน้อยอกน้อยใจบ้าไม่แบบเนี้ยดูกว่านะนทนข้ออื่นยังมีอยู่อีกนะพอได้ยินเสียงได้หูปุ๊บดมกลิ่นได้จมูก ลิ้มรสได้รินและถูกต้องผลิตภัณฑ์ได้กายแล้วรู้ธรมรมอารมณ์ได้ใจและทำรองเดียวกันน่นดูกว่านั้นนอนพิกษุรูปหนึ่งรูปใดที่สภาพชอบใจสภาพไม่ชอบใจทั้งสภาพที่ชอบใจและไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็ดับหายอุเบกขาตั้งดีสนิทโดยเร็วโดยพันทีเดียวโดยไม่ยากลําบากเหมือนบุรุษที่มีกําลังเนี่ยเอาหยาดน้ำสองหรือสมหยาดหยดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดทั้งวันการหยดลงไปแห่งน้ําแห่งหยาดน้ํานั้นยังช้า ไม่ทันทีหยาดน้ํานั้นจะถึงความเหือดแห้งหมดสิ้นไปฉับพันทันใดโดยแน่แท้ดูก่อนอานอ น, นี่เรียกว่าอินทรียภาวนาในธรรมในธรรมารมณ์ที่รู้ด้วยใจอันยอดเยี่ยมในวินัยของอริยชนอันนี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนายอดเยี่ยมในวินัยของอริยชนเป็นลักษณะแบบนี้ให้สังเกตนะคนที่ปลึกดีแล้วเนี่ยเหมือนเนี่ยเอาหยดน้ําหยดน้ำนิดเดียวนี่เนี่ยเอากระทะตั้งร้อนๆแดงฉ่าหมดแล้วร้อนอยู่ตลอดเวลาเนี่เอาน้ํานิดเดียวเนวี่ยหยดลงไปเนี่ย เปิดแห้งเลยไหมแห้งฟูดทันทีเลยประโยชน์ ด, ดูดีบุกเลนแห้งเลยแห้ ง, หงทัน ท, ทีอย่างรวดเร็วเลยเพราะมันร้อนมันยิบน้ําไม่พอพก็ฟับหายไปรวดเร็วเลยนี่เป็นการเวลาเขาพิจารณาเห็นความชอบใจไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นจากการเห็นการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือรู้ทำอารมณ์รู้เรื่องราวอะไรในใจทั้งหลายปุ๊บเนี่ยพอความชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นปุ๊บก็ตัดเลยเขไม่ปรุงแต่งต่อไม่ปรุงแต่งต่อ ไม่ปรงแต่ให้ชอบใจหรือไม่ชอบใจเพราะชอบใจเป็นบาปฝ่ายราคะไม่ชอบใจเป็นบาปฝ่ายโทสะหรือมึนมึน ง, งงงเป็นฝ่ายโมหะเขาใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นเหตุปจัจจัยก็ตัดทันทีอย่างรวดเร็วยอดเยี่ยมไห ม, เ, มเขายอดเยี่ยมมากนี่เป็นการฝึกตัวเองที่ยอดเยี่ยมมากไม่ได้ฝึกตัวเองแบบแบบธรรมดาเลยว่านั้นก็คือชัดเจนมากคมมากปัญญาเอ้ยสติเอ้ยเนี่ยตัดตอนทันทีบาปไม่เป็นคนจมอยู่ ที่บอกคุณไปตั้งหลายทั้งบอกคุณอย่าทำอย่างนี้มียัางทําอยู่นั่นแหละบางคนนี่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไม่น้องที่จะฝึกตัวเองอะนะนี่นี่ประการที่หนึ่งนะอินทร์ศรภาวนาประการที่สองเขาเรียกว่าเซกขาปาติบทก็คือผู้ฝึกผู้ฝึกผู้ศึกษานี่นะดูก่อนอานอน์ก็พระเซกขะผู้ยังปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไรดูก่อนอาน น, นนลนะ เพรเห็นรูปด้วยจักสู่สภาพที่น่าชอบใจและไม่ชอบใจเกิดขึ้นสภาพที่น่าชอบใจและไม่ชอบใจทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นแก่พิกษุนในพระธรรมวินัยนี้เธอก็อึดอัดบมงคนจะเป็นนะเรากลุ่มนี้นะในพวกเราเนี่ยอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจด้วยสภาพที่น่าชอบใจและสภาพที่ไม่น่าชอบใจทั้งสภาพที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นแหละเห็นไหมพวกนี้อึดอัดและเบื่อหน่าย แน่รังเกียจ ด, ด้วยบางคนเวลาเห็นเนี่ยเราไม่อยากเห็นแบบเนี้ยอึดอัดไหมเวลาอยากจะเห็นอย่างเนี้ยแล้วก็ปงแต่งก็อึนอัดใจทั้งชอบสภาพที่น่าชอบใจสภาพที่ทั้งชอบใจและไม่ชอบใจเกิดขึ้นอึดอัดเบื่อหน่ายก็รังเกียจได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริม ล, ลิ้นและถูกต้องผลิตภัณด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้ใจเป็นต้นอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจ ด้วยสภาพที่น่าชอบใจสภาพที่ไม่น่าชอบใจทั้งสภาพที่น่าชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแล้วนั้นดูก่อนอนุนอย่างนี้แลชื่อว่าเสขาก็ยังต้องปฏิบัติอยู่พวกนี้ยังยังต้องปฏิบัติแสดงว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ยังต้องปฏิบัติต้องรู้ตัวเองเลยนะเราเป็นกลุ่มนี้ไหมเป็นไม่เป็นเห็นรูปได้เห็นเห็นรูปได้ยินเสียงเบนเตอร์เหล่านี้ บางทีชอบใจเกิดไม่ชอบใจเกิดทั้งที่ชอบใจแล้งไม่ชอบใจเกิดขึ้นรู้สึกอึดอัดไหมอึดอัดไหมอึดอัดที่ไม่อึดไม่เข้าใจคําว่าอึดอัดเลยเบื่อหน่ายรังเกียจเนี่ยถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจเบื่อหน่ายไหมเบื่อหน่ายมันต่างจากข้อแรกเลยครับอาจารย์ต่างสิกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะต้องปฏิบัติแสดงเห็นใช่เราเรายังมีกิเลสอยู่ แสดงเห็นชัดว่าเรายังปฏิบัติไม่บริบูรณ์แสดงว่าเรายังไม่ได้ฝึกผลพัฒนาให้มีสติปัญญาที่รวดเร็วใช่ไหมเช่นเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็อึดอัดพอเห็นสิ่งที่ชอบใจขึ้นมาแล้วก็ยินดีเพลิดเพลินกับมันพอสิ่งที่เราชอบใจนั้นมันไม่มันไม่เป็นไปตามอย่างใจเช่นเราหวังว่าเราอยากจะศึกออกพรรษาเนี่ยพอไม่ได้ศึกปุ๊บเป็นไงดีร้านไหมไอ้กรณีแบบเนี้ยบ่งบอกถึงไม่ฝึก ไม่ฝึกไปอยู่ตามใจกิเลสมนะันให้กิเลสมันครอบงําแล้วเราก็เป็นผู้ที่อย่างเนี้ท่านถึงบอกบุคคล น, นี้ต้องปฏิบัติต่อต้องฝึกต่อต้องฝึกพัฒนาให้กําจัดความชอบใจและไม่ชอบใจทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจให้ออกจากความรู้สึกให้ไดนะ้จนสามารถอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้การวางใจเป็นกลางและมีสติรู้ชัดในสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่แปลว่ากลุ่มเนี้เป็นผู้ที่ ยังไม่ชานาญยังไม่ยังต้องฝึกตนเองอยู่ยังรู้ว่าตนเองเนี่ยยังยังยังยังจะต้องฝึกต่อไปไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ไม่ใช่จมอยู่เพียงแค่นี้แสดงว่าปัญญายังไม่ถูกขัดเกลาต้นต้นเหล่านี้ถ้าคนที่เขาจบแล้วทำไงเพราะพาวิตินทรียผู้พัฒนาจบแล้วเนี่ยดูก่อนนอนุพะอริยะผู้เป็นภาวิตินทรีนะได้พัฒนาอินทรีย์แล้วเป็นอย่างไรเข็น โดูก่อนอนอนท์เมื่อพอเห็นรูปด้วยจักษุสภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพทั้งที่น่าชอบใจและไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุนในพระธรรมวินัยนี้เธอนั้นหากจํานงหมายว่าเราจะหมายรู้ในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิคูลก็ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ เราทําได้ไหมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปเห็นเนี่ยนเนเาะไปเห็ น, นโอ้วกผู้หญิงคนนี้งดงามมากชอบใจเกิดน้นไหมไปเห็นคนนี้ไม่งดงามไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นทั้งสภาพที่ชอบใจและไม่ชอบใจเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ถูกอารมณ์นะั้นชักพาไปตามนั้นเลยนี่คือคมปุถุชนทั้งหลายแต่ระดับคนที่พัฒนาจบแล้วปุ๊บเนี่ย เขาจะสามารถดึงรูปที่น่าชอบใจใครควรเจาะเข้าไปเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลก็ได้ทั้งที่คนอื่นเขาวางามเนี่ยเขาเจอะไปที่ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ในกระดูกได้เลยให้ปฏิกูลเกิดขึ้นได้ไหมได้เห็นไหมเขาเจาะไปที่ปฏิกูลเกิดขึ้นได้ทันทีเลยอย่างเรานี่ติดอยู่แค่นั้นเองเนี่ยนี่ชำนานขนาดนั้นเขาจะสามารถใช้ปัญญาเนี่ยน้อมใจไปเห็นด้วยความเป็นของไม่งามก็ได้ เห็นด well ้วยความเป็นปฏิกูลก็ได้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงก็ได้เห็นด้วยความเป็นทุกข์ก็ได้เห็นด้วยความไม่มีสาระเป็นตัวเป็นตนก็ได้นี่เขาฉลาดขนาดนั้นไม่ใช่ไปให้อารมณ์เป็นตัวพักผ้าชักพาเขาแต่สามารถที่จะใช้ปัญญาเนี่ยนําร่องจิตให้ไปทางเห็นความเป็นจริงได้ทันทีเลยนี่ขนาดนั้นไม่ใช่ให้อารมณ์เป็นตัวดึงอย่างพวกเราเนี่ยอารมณ์ภายนอกเป็นตัวเล้าดึงหมดติดสิ่งเสพหมดเลยเพราะงั้นจะเสียงเพลงมาก็หลงในเสียงเพลงใช่ไหม รูปสวยงามมาก็ติดในรูปรูปไม่งามมาก็ติดในรูปไม่พอใจอยากจะผักออกเสียงเพาะก็ติดไม่เพาะก็ผักออกก็ชอบใจไม่ชอบใจทั้งชอบใจต้องไม่ชอบใจก็อยู่แค่นี้เองอยู่แค่ชอบไม่ชอบชอบกระชังชอบกระชังชีวิตชีวิตไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรเลยถูกจักนําจากสิ่งเร้าข้างนอกตลอดเวลาเลยเราเคยรู้ตัวเองไหมว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วเคยรู้ไหมล่ะ ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วเป็นไอตัวอะไรตัวหนึ่งที่ถูกสิ่งเล้ากันแท้เช่นเกมอะไรมาเนี่ยตาเหลือกกับมันแล้วไปบ้าอยู่นี่แหละจริงไหมจริงติดเกมเลยหนูเนี่ยก็ไปหลงไหลได้เปิ่มกับไ อ, ไ อ, ไอสิ่งเล้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจกับมันเนี่ยแล้วก็ไปติดนิสยัยไ อ, ไอสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้มาจำไหยไม่เห็นมีสาราะเลยหากจำลองหมายว่าจะหมายรู้สิ่ง ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลได้ได้หากจำลอมหมายว่าเราจะหมายรู้สิ่งที่ทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้หากจํำนองหมายว่าจะหมายรู้ในสิ่งทั้งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นนว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้หากจํำนองหมายว่าเราจะเว้น คำหนึ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้ง2 อ, อย่างนั้นมีเวรขาอยู่มีสติสัมปชัญญะอุเวกขาอยู่ในสิ่งนั้ น, น, นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะโดยแท้เนี่ยเออทนีนี้ให้สังเกตตรงเนี้ยทั้งฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริมรสรสด้วยริ้นถูกต้องผลิภาณด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจทั้งสภาพชอบใจสภาพที่ไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นทั้งสภาพที่ชอบใจและไม่ชอบใจกเกิดขึ้นภิกษุในพระธรรมวินัยเธอนั้นหากจำงว่า เราจะเว้นคํานึงทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างนี้มีอุเบกขาอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะมีเบกขาในสิ่งนั้นอยู่ได้ด้วยสติสัมปชัญญะได้ไอตรงเนี้ยเขาแปลว่าเป็นผู้ที่จบแล้วความหมายของการภาวนาในที่เนี้ยจะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มบุคคลประเภทเนี้ยที่เขาฝึกตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยเขาจะหมายรู้ในเรื่องอะไรก็ได้หรือเห็นสิ่งนี้ เขาสามารถที่จะน้อมไปถึงพุทธคุณธรรมคุณก็ได้จะน้อมไปถึงกายสุจิริด้วยปัจจีสุจริดเป็นต้นจะน้อมไปถึงถึงโทษอบาปกระเสริฐราชาบรรทุ่ราคึกสามารถด้วยปัญญาของเขาเนี่ยไข้ควรของท่านนี่นะสามารถที่จะไข้ควรไปในเรื่องใดก็ได้ก็คือว่าไม่เป็นไปตามสิ่งเรา<ม>ชัดเลย อ, อย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหอะไรจูงหน่อยก็เลยเป็นไปเตลดิดไปในสิ่งต่างๆเหล่านี้หมดเลย ใครมาแสดงให้เราร้องไห้ก็ร้องใครมาแสดงให้เรารักรักใครมาทําให้เราเกลียดก็เกลียดว่น อ, อยู่ที่นหนเป็นตัวของตัวเองไหมดูอย่างนี้แล้วแย่ไหมภาวะที่ไม่ฝึกตัวเองนี่แย่ไหมแ ย, แ ย, แย่แย่แบบนี้แหละเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละพุทธิยถาเปรยแสดงบอกว่า นี่แหละข้อการในอินทรีย์จากขุนศรีสโสตินศรีคารินทรียชิวหินศรีกายินทรียเป็นต้นเหล่านี้ยอาสะวะที่พึงลักได้โดยการสังวรก็คือปิดบาปอาุปสรธรรมันชวยรักทั้งหมดเป็นต้นเหล่านี้เอาต่อไปข้อที่สามอาสะวะที่พึงลักได้โดยการใช้สอยในโดยการใช้สอย เป็นอย่างไรอันที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องน่งหมอันที่สำคัญนะในการใช้สอยพิสูจพิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อบำบัดความเย็นความร้อนหรือสัมผัสของเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานเพียงเพื่อปกปิดเอาไว้ว่าที่ทำให้เกิดความละอายสูนหายไปเออ เ, เวลาใช้จีวรสังเกตดูนะว่า เวลาเราใช้จีวรกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้เพื่ออะไรนะบําบัดเย็นเกินไปเนี่ยเราจะได้ใช้กีวรห่มปิดร้อนเกินไปใช่ไหมหรือบางทีเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลขขื้อยคานเนี่ยปิดอวัยวะที่ทําให้เกิดคว า, ามละอายดังนั้นที่เราใช้นุ่งห่มเนี่ยเพ่อเราจะได้ไม่อายใช่ไหมล่ะถ้าแก้ผ้าเดินไอไหมใช่สุดท้าย อายไม่อายก็อายใช่ไหมเหมือนกันคนที่เขาใส่คนคนที่ก็ใช้เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเวลาในการพิจารณาทีวรทั้งหลายในการใช้สอยเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิสัมภาโยนิโสตั้งคณิปัจเวก็คือการพิจารณาในการใช้สอยใช้สอย ยีวอใช้สอยเออแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอาหารเบต้นด้วยนะมันจะมีสองส่วนส่วนของการในขณะที่ใช้กับหลังจากใช้แล้วพิจารณาตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจเือปฏิสังขาโยนิโสยีวรังเบต้าเหล่นี้นะคือว่าพิจารณาคำว่าโยนิโสเนี่ยก็คืออุบายที่ตรัสไว้ โดยการไปพิจารณาเพื่อเกิดความบริสุทธิ์ในการใช้ปัจจัยสีนี่แหละในการใช้ปัจจัยสีเพราะว่าถ้าเราใช้สอยสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วไม่พิจารณาทั้งหลายเหล่านี้เป็นการเป็นการที่ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้โดยขาดสติจริงๆก็คือให้รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการใช้สอยสิ่งเหล่านี้ การใช้จีวรนีก็คือใช้สถิตโดยเฉพาะปัญญาในการที่จะไปใช้สอยจีวรต่างๆแล้วคัดสูตรพิจารณาแล้วแยกคายแล้วฉันนิบินทบาทนี่กินอาหารแนละ้วอ น, นั่งลงไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความเมามันมัวเมาเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อกายนี้ดำรงอยู่เป็นไปได้เพื่อบำบัดความหิวอนุเคราะห์พรหมจรรย์ โดยคิดว่าเราจะกําจัดเวทนาเก่าและจะไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยการบินาบานี้การดํารงแห่งชีวิตความไม่ความไม่มีโทษและการอยู่อย่างผาสุจากจะมีแก่ผู้บริโภคอาหารนี้เป็นต้นเออถ้าเรามองดูในการความว่าประดับเนี่ยหมายความว่าเพื่อให้ร่างกายอ้วนพีหรือเพื่ออิ่มหรือเหมือนกับประดับเหมือนกับตกแต่งอาหารที่มารักษาผิวมันหญิงแพร่สยามีตกแต่งเหมือนนักบอลลําบ้าง ไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมการพิจารณาอาหารอันนี้เป็นเรื่องปัญญาเลยเป็นเรื่องของเรื่องของปัจจเวกขณะพิจารณาเพื่อปัจจยสันนิตสตะสีสีที่เกี่ยวขึ้นกับการพิจารณาปัจจัยสีนี่เป็นปัญญาเนะี้ยเป็นประธานเลยนะตอนนี้ก็คือการฝึกการใช้ปัญญาการใช้ความรู้ความเข้าใจมันจะมีสองส่วนว่าใช้ติวรเนี้ย หรือใช้เครื่องนุ่งหม่มจะเป็นการาวาทั้งหลายก็คือนุ่งเสื้อผ้าทั้งหลายอลไรเนี้ยมันจะมีสองส่วนส่วนที่ว่าขับเน้นที่คุณค่าแท้หรือคุณค่าเทียมคุณค่าแท้ของการใช้กีวรหรือเครื่องนุ่งห่มก็คือบำบัดความหนาวนี่แหละความเย็นเลยความร้อนเลยป้องกันเหลือบเอว ย, ยุงลมไหลแดดจัดเลยคาเนี่ยปอกปิดอวัยวะเพื่อไม่ให้ละอายเป็นคุณค่าคุณค่าเทียมว่า เออมันยี่ห้อราคาความโก้หรูทั้งหลายเหล่านี้ใส่อย่างนี้แล้วมันรู้สึกว่าอัตราตัวตนมันศักดิ์ศรีมันดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นคุณค่าเทียมอาหารก็เหมือนกันไม่ใช่กินเพื่อเล่นไม่ใช่กินเพื่อมอมเมาไม่ใช่กินเพื่อประดับไม่ใช่ตกแต่งไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเลยไอ้คุณค่าเทียมเนี่ยเช่นอย่างเรามันต้องราคาอย่างนี้ร้านต้องอย่างนี้หรูอย่างนี้ว่างเัเถอะ เราทำงานทำการกันได้เงินได้ทองมาก็ต้องการไปตรงนี้แหละใช่ไหเออผาร้านอาหารที่ดู ด, ดูโก้ๆ ก, ก, กันหน่อยไปที่ไหนเข้าไปนั่งดูลาณหรุมันมันมีอะไรเลยก็ไม่นั่งรวมๆกันอยู่ใช่ไหมเออไปกินเวลาไปกินตอนกินเนี่ยรวมๆกันได้แปล อ, ออกต่างคนต่า ง, างไปเนี่ยเลยมีไหมวก็ไปถ่ายร่วมกันไปสนุกสนานเหมือนตอนไปกินนั่งหันหน้าหาการกินอาหารยังไง ก็ไปนั่งหันหน้าเข้าใส่กันแล้วก็ไปถ่ายกันตอนหน้าต่อตาทำได้ไหมอ้ามันไม่ใช่เรื่องเดียวกิจกรรมเดียวกันนะเนาะเข้ากับออกอตอนไปเอาเข้าตอนไปเอาอาหารเข้าไปเนีโหใช่ไหมล่ะต้องหาร้านดีๆแล้วก็ดีห่อแบรนด์นี้อะไรก็ว่ากันเลยเนี่ยมันอัตราตัวตนเลยนะเนี่ยอันนี้คุณค่าเทียมเพราะตอนไปถ่ายอะไ นัดกันไปทุ่งนาหันหน้าไปหาการ น, นั่นนงถ่ายรถพร้อมกันมันไปนั่งกินอาหารด้ยเห็นไหมเนี่เนเยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ไปขับเน้นที่คุณค่าแท้จริงการกินอาหารก็เพื่อกำจัดเวทนาเก่าความหิวความหิวดีด่ยแล้วก็ไม่ทาเวทนาใหม่เกิดขึ้นความอึดอัดทัดท้ อ, อง นั้นการกินด้วยปัญญาอย่างนี้เขาเรียกเป็นการประพฤติพรหมาจรรย์แล้วเพื่อทำศีลสมาธิปัญญาเป็นต้ได้เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยเสยนาสนะไอ้ที่อยู่โอ้โหทุกวันเนี้ยแค่ที่อยู่เนี่ยคนเราต้องซื้อกันแพงๆเลยนะบาไงไนดะ้หมู่บ้านอะไรเงี้ยโอ้โหราคาเท่าไรอย่างเงี้ยต้องซื้อกันมันไปๆมาๆ ม, ม, มันก็กลายไปติดในนี่แหละคุณฆ่าเทียมเนี่ย ใช้หญิงก็คือว่าเสนาสนะอยู่ที่เราอยู่กันี่ก็ทํำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้ร้อนเกินไปหนาวเกินไปเป็นต้นเหลอเนี่นะหรือป้องกันยุงเหลือบแดดสัตว์เลื้อยคาบนบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤ ด, ดูและความยินดีในการหลีกเล่นจะได้ เ, เกิดขึ้นเราได้สถานที่ตรงนี้แล้วจะได้เป็นปัจจัยต่อการเดินศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจเจริญถ้าอย่างงี้มนชัดมีพิจารณาด้านเสนาสนะแล้วก็พิจารายแยกขายแล้วใช้สอยบริขารยารักษาโรค ของคนป่วยเนี่ยก็เพื่อบรรเทาทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากโรคที่เกิดขึ้นเพ<ร>ื่อไม่ให้ทุกเวทนาใหม่ต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าอาสวะทิงละได้โดยการใช้สอยก็คือว่าเราจะใช้สอยเครื่องนุ่งเนื้เครื่องนุ่งห่มอาหารที่ยู่อาศัยยายาปัจจัย4ี่เนี่ยใช้แล้วเนี่ยไม่กลายเป็นเข้าหาคุณค่าเทียมเป็นไปเพื่อบุคคลเป็นไปเพื่อกิเลส เ ป, เป็นเพื่อตันหามันเป็นเพิ่มพูนราคา่าทุศามหาเกิดไอ้กรณีอย่างนี้แปลว่าผิดนะทาให้เสียหายทําให้เจ็บปวดแทนที่จริงเราก็เลยกลายไปตอบสนองเนี่ยตอบสนองความโลภ ต, ตอบสนองความโกรธตอบสนองความหลงไม่ได้เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจเลยแต่ถ้าหาพิจารณาด้วยปัญญาพุ๊บในการใช้สอยสิ่งต่างๆตรงนี้ด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจไปเนี่ยถ้าทำอย่างนี้โอ้นี่ปัญญาเกิดขึ้นนะ พอปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดความรู้ความเข้าใจก็เลยเป็นการใช้ที่ถูกต้องพอจะเข้าใจประเด็นนี้หรือยังมีอะไรจะถามมั้ยมีไหมมีอะไรจะถามฟังมาทั้งหมดพอจับประเด็นได้ไหมวันนี้ได้สองประเด็นนะอาสะวะที่บึงละได้ด้วยการสังหวะ กับอาสวะที่ละได้โดยการใช้สายเออใชสยก็อยู่ในขั้นศีลก็คืออินเดียสังวรศีลกับปัจจะยัสนิสิตาศีลถ้าพูดถึงตัวศีลในหมดในภูมิศีลมีกกลุ่มสังวรเนี่ยอีกข้อหนึ่งนะพูดเลยๆไปหน่อยเลยอาสวะที่พึงละได้โดยการอดกลั้นนี่โดยการยอมรับได้ดีแหละ การยอมรับได้ในที่นี้ก็คือด้วยการอดทนไอตัวนี้อโทสะเนี่ยต้องมีกําลังนีตัวนี้อโทสะคือความไม่โกรธพิกษุพิจารณาโดยแยกใครเป็นผู้อดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดและสัตว์และ้คานทั้งหลายเป็นผู้อดกั้นต่อท้ายคําหยาบท้ายคําส่อเสียดเนี่ยเป็นผู้อดกั้นต่อเวทนาที่เป็นไปในทางกายที่เป็นทุกข์ที่มีความกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจ ถึง ข, ขนาดาพลาดชีวิตได้เมื่อเธอไม่อดกั้นอยู่อาสะวะความเร่าร้อนที่ก่อความลําบากจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเธออดกั้นอยู่ย่อมไม่มีแก่เธออย่างนี้แหละเหล่านี้เรียกว่าอาสะวะที่พึงละได้โดยการอดกลัน้นโอ้ตรงนี้สําคัญมากเลยอาสะวะที่พึงละได้โดยการอดกลั้นเนี่ยเาเวลาความเวลาทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นนี่นะเวลาถ้าพิจารณาในเรื่องของอิกิเลตต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเช่น ให้พิ่เจริญถ้าเกิดความร้อนเกิดขึ้นให้พิจารณาอย่างไงให้อดตัวอดทนถ้าเกิดความร้อนเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่นะโดยเฉพาะเจ้าแชมป์เนี่ยไม่เคยได้ฝึกตัวเองเท่าไหร่เนี่ยเกิดความร้อนเกิดขึ้นในพิจารณาว่าบอกว่าตอนนี้ความร้อนเกิดขึ้นแล้วแก เ, เราบอกงั้นเถแต่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้จะต้องยอมรับได้ด้วยปัญญาการยอมรับด้วยปัญญาบอกว่า บอกว่าในสังสารวัตเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เนี่ยเราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกในเวทีมหานรกมาแล้วในอดีตเนี่ยพวกเนี้ยเคยเกิดในเวทีมาแล้วฉะนั้นการเกิดในเวทีเนี่ยความร้อนไม่รู้กี่ร้อยๆองศาฉะนั้นถ้าเรามาเออะอะโวยวายมาทำบาปให้เกิดขึ้นไม่ยอมรับได้ด้วยปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะที่เราแค่ประสบความร้อนเพียงแค่นี้ เรเข้าใจเราก็เป็นบาปแล้วเราก็ทนไม่ได้แล้วก็รับไม่ได้ด้วยปัญญาในส่วนจริงเราก็ปล่อยให้บาปกุศนธรรมมันชั่วร้ายเกิดขึ้นเราไม่ผูกใจเราไว้กับกรรมฐานไม่ผูกใจเราไว้แก่ศีลสมาธิปัญญาไม่ผูกใจไว้กับทานกุศลศีรรลกุศลนภาวนากุศลไม่ฝึกตนเองอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเจ็บปวดในสังสารวัฏอยู่ไหมเพราะเกิดความทุกเกิดขึ้นมาพุ๊บเนี่ยเขาไม่ละทิ้งกรรมฐาน ไม่ละทิ้งศีลสมาธิปัญญาไม่ละความตั้งมั่นไว้ในพระ t h a n a ไตา่เหตุในที่สุดถ้าเราไม่ไม่ฝึกตนเองไม่เอากระแสความคิดจิตใจของตนเองหรือปัญญาตนเองไประลึกถึงคุณของพระร h a น a ไตายหรือกรรมฐานเป็นต้นในที่สุดจริงเราก็ปล่อยให้บาปเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปทําช่วแล้วเราก็จะไปจมไปสู่ความร้อนอย่างเดิมอีกในเอเวจีมหม า, หารโลกอีกเอาพอเกิดความหนาวเกิดขึ้น ก็พิจารณาว่าเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เนี่ยเราเนี่ยเคยเกิดเป็นโลในโลการตริยานรกไปสัตว์ในโลการตริญานรกเนี่ยมันมืดหมดเลยนะในโลการตริญานรกเนี่ยสัตว์มันก็ก่อตามผนังถ้าเล็บยาวตัวตัวทั้งสามขาวุฒิแต่และตัวสัตว์นี่ตัวใหญ่มากเลยเกาะเกาะผนังมองไม่เห็นกันเราหิวไม่มีอะไรกินอะเกาะเพาจับกันได้คว้ากันกินเราแบบนั้นเลย มันเรียกว่าคว้ากันกินสู้กันมาตกลงไปตกไปในน้ําที่เย็นจัดทําให้เนื้อทําให้เลือดทําให้กระดูกละลายได้เลยว่ามันตัวเองเคยล้าปากอย่างเงี้ยนั้นถ้าเรามันหนาวเพียงแค่นี้เย็นเพียงแค่เนี้ทำไมเราจะยอมรับด้วยปัญญาไม่ได้ทําไมเรามาฟุ้งซ่านกับไอเรื่องความเย็นความร้อนขนาดนี้อยากกันนั้นเลยเราผูกใจไว้กรรมฐานรีบฝึกตนเองซิแค่ใครควรพัฒนาตนเองทําให้กิเลสตะกองทุกขให้หมดสิ้นไปให้ได้ผูกใจไว้กับพระรันาตนตรัยในความดีเสีย ไม่ยอมจำนนกับมันแล้วก็ไม่ใช่มาเอะอะโวยวายปล่อยบาปให้เกิดขึ้นเนี่ยเลยกลายเป็นคนยอมรับได้ด้วยปัญญาลักษณะนี้ก็เรียกอดทนเนี่ยละได้โดยการอดทนไม่ปล่อยให้บาปราดเข้าไปาราดรุนในจิตใจนดเองนี้เป็นต้นใช่ไหมเกิดความหิวอ ะ, ะเนี่ยเคยเป็นไหมมาอยู่เนี้ยหิวอยากจะกินกินไม่ได้ไหนตั้งแต่เที่ยงไปแล้วนี่ไม่ได้กินแล้วตอนเนี้ยโอ้โหลําบากเกินหิวเป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นไม่เป็น หิวแต่ไม่เห็นอาหารม่เห็นอาหารก็่เห็นถหละถ้าหิวก็พิจารณาว่าเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราก็เกิดเป็นเปรตที่ไม่ได้กินอาหารเป็นพุทธันดอนเออญาติของพระเจ้าวิมพิศาเนี่ไม่ได้กินอาหารนั้นเป็นพุทธันดอนเนี่ยพุทธันดอนก็คือพระที่เจ้ า, าเป็นองค์ๆเลยก่วนพระเจ้ายังมาตัดหนี่ยโหหิวมาตลอดแต่มีใจโผว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กินเราจะได้กินขนาดนั้น จะตายก็ไม่ตายเนียเป็ดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ได้ด้วยกรรมกรรมก็หล่อเลี้ยงแต่ให้ทรมานไส้าขาดบ้างอ้วกมาเปืนเลือดบ้างอะไรสารพัดนมดไฟท่าทั้งหลายไปบิดบิดลําไส้ขาดหมดนะข้าวนะข้าก็ก็อยู่อยู่ทรมานอยูอ่กันเน่ยทรมานไม่มีอะไรกินเนี่ยเอมีพระไปบินาบาตรบินาบาตกันสิบสามสิบลูกนะมีฝังไม่น้ำกองคาเดินเไปไปหินอุบ่าโศกคนหนึง่งวิ่ง วิ่งป๊อปป๊อปป๊อปไปปะบะบะบะมาปะบะบะม๊อปป๊อปป๊อปหีวิ่งหนวิ่งมาอยู่คถามยอมวิ่งหาอะไรเน่ะหาน้ำเอ้วยอมวิ่งเหยียบไปเหยียบมา <c oughs> ดูบามปิดทิ้ไม่ใช่โยมไม่ใช่คนธรรมด า, าเปรตเป็นเปรตบอกว่าไม่มองเห็นแต่เป็นเหล็ก เ, เป็นเป็นหินวมันเป็นหินมีแต่ตีแดงๆเต็ไมไปหมดเลย ไม่มีน้ําเลยเอ้าทำไมไม่เห็นบ อ, อกยอมวิ่งมาอย่างเงี้ยไม่รู้กี่กี่ร้อยกี่แล้ววิ่งมาอย่างเงี้ยหาน้ากินไม่ได้อยู่ทรมานขนาดนั้นนี่เราเคยเป็นแบบนี้มาเนะ่เคยทรมานแบบนี้มาเนะ่ยด้วยความที่ไม่ให้ทานด้วยความที่ไม่รักษาศีลมาด้วยความที่ทําบาปเอาเสือทํามทำชั่วร้ายมาเคยเป็นแบบนี้ม า, นะาเนี่ยพระก็บอกโอ้สงสารน้ากรู น, นนะเนี่ยยมนอนลงกว่านั้น เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรทำไมไปตักน้ํามามาเทให้ผ้าซับที่กอเอาบาตตักน้ํายังไยังไม่ได้มีบาตนี่อ้าปากเทไอ้เหนือนไม่เข้าอะ่ะเทก็มีครับเอาองค์นั้นมาทีทีครบสาดดูน้ําเข้าไปในปากสักหยดไหมไม่มีเลยหยดหนึ่งยังไม่ไหลเข้าไปได้เลบามันปิดไว้ไม่เข้าไปในปากไม่ไหลลงไปมีเครื่องกันก้นเอาไว้กระเด็นออกหมดนี่ขนาดนั้นเลย โอ้หมดหมดโอกาสแล้วพระก็ช่วยเม่ไแล้วจะได้เลยจากการอุทิตไม่ได้ได้เลยจายการแบบนั้นเห็น ไ, ไหมในเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเค่อยเกิดเป็นเปรดแบบนี้มาไม่มีอาหารกินแบบเนี้ยแล้วทําไมมาวันนี้เราจรึงจะยอมรับมันไม่ได้ทําไมใจเรามโหฟุ้งซ่านอยากจะกินทำไมไม่ผูกใจไว้กับกรรมฐานไม่ผูกใจไว้กับศีลสมาธิปัญญาเมืไม่ผูกใจไว้กับพระราชตายัย ดีฝึกตัวเองเสียเราจะได้ไม่ต้องตกไ ป, ปอยู่ในอาชาพความเป็นเปรตเงี้ยพระพิจารณาเงี้ยนะหรือว่าเกิดเหลือบยุง่งขมากัดแล้วก็มาฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยโกรธหงุดหงิดไม่ได้ทํากิจอย่างอื่นไม่ได้เกิกุศลบางคนเป็นอย่างงั้นนะวันๆก็ตบตบยุงบังอะไรวุว่น ว, วายอยู่ น, นี่แหละเคยเห็นไหมไม่ได้ทํากิจในการเฉลยเลยเลยบอกว่าเบื้องต้นและที่สุดอันบุคลรู้ไหมเราเคยเกิดเป็นวัวเป็นควายมา เคยเกิดเป็นสุนัขมาเคยเกิดเป็นหมูถามวิชาพวกเนี้ยมีมูุมไห ม, ไมยืดตากแดดตากฝนอยู่ น, นั่นแหะยุงมากัดมันมันไม่มีอา ว, วุธจะไปปัดเนะนี่ยวันนี้คือคืคือคืทำหนังมันติดจุดจไม่ก็ไม่ยอมออกก็กัดอยู่ น, นั่นแหละทรมานอยู่ น, นั่นแหละหมาเงี้ยเห็บกัดอยู่ น, นั่นแหละเต็มไปหมดหมาเนี่ย เราเคยเกิดอย่างนี้มาเคยเป็นแบบนี้มาและถ้ามัวประมาทมัวเมาไม่รีบเจริญกุศลไม่รีบเจริญศีลสมาธิปัญญาเนื้อเราก็กลับไปเกิดเป็นแบบนี้อีกพอเขาพิจารณายี่ปุ๊บเขาก็ยอมรับในเดื่อปัญญาแล้วก็พอมีเครื่องกั้นหน่อยอย่างเงี้ยโอเคแล้ยุงไม่เข้ามาแล้วรีบเร่งในการทําความดีเต็มที่ฝึกตัวเองเต็มที่เจริญกุศลเต็มที่เลยแทนที่จะปล่อยตัวเองหมัวเมาลุ่มหลงลักษณาดนี้ก็เรียกว่า เนี่ยละได้โดยการอดกลั้นเนี่ยละได้โดยการอดกลั้นหรือบางทีนะตัวความหิวกระหายเหลือบลุงยุงลมแดดทั้งหลายความทุกข์ความเผ็ดร้อนความไม่น่ายินดีทั้งหลายเหล่านี้ยลักสณะนี้ก็คือว่าความเจ็บใจก็ฝึกตัวเองเห็นไหมทั้งหมดเหล่านี้ถ้ามีปัญญาพิจารณาแล้วก็มีขันติอโทศาสตร์ทภาวะที่ความไม่โกรธทั้งหลายก็สามารถที่อดกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ แลบาปกุศลและธรรมชั่วร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นนี่เป้าหมายที่สุดก็คือการเจริญรุ่องเขาก็จะยางไ้นเนี้ยนี่อาสวาัติระได้โดยกันอดกันที่ใครถามเลยไหมต้องกันเก็บเวลาแล